จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราปล่อยวางเพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราเราต้องมาซ้อมการปล่อยวางการพัดพราก จากของรับของเจรวญใจทั้งหลายทั้งปวงเช่นวันนี้เราก็มาซ้อมพัดพระจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เป็นของรักของห่วงของพวกเราถ้าเรายินดีที่จะให้เงินทองจากเราไป แทนที่จะมีความทุกข์เราจะมีความสุขอย่างวันนี้ญาติโยมต้องสูญเสียพัดพรากจากของรักของเจริญใจไปบางส่วนคือเงินก้อนหนึ่งที่ต้องเสียไปกับการซื้อกับข้าวกับปลาอาหารของข่าวของหวานต่ตางๆเพื่อที่จะได้ นำมามาถวายพระและมาแบ่งกันกับญาติโยมที่มาร่วมทาบุญกันแทนที่จะมีความทุกข์ใจมีความเสียใจกับมีความสุขนี่แหละคือวิธีที่ถูกต้องเราควรหัดฝึกใจให้ปล่อยวาง ให้เตรียมตัวรับกับการสูญเสียรับกับการพัดพรากจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไปด้วยการพิจารณาอยู่่งเนืองว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เที่ยงแท้แน่นอนมีมาได้ก็มีไปได้มีไปได้ก็มีกลับมาได้ คนบางคนแต่งงานกันแล้วก็หยากันหยากันแล้วก็กลับมาแต่งกันใหม่ก็มี mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่าไปวุ่นวายกับการมาการไปของสิ่งต่างๆเราสามารถทำใจให้สงบให้เย็นให้สบายได้ถ้าเรามีธรรมะแสงสว่างคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆ ใพิจารณาอยู่เนืองๆอานิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอานิจจังทั้งนั้นร่างกายก็เป็นอานิจจังทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองก็เป็นอานิจจังยศถาบรรดาศักดิ์ก็เป็นอานิจจังสรรเสริญ น, นินทาก็เป็นอานิจจังความสุขความทุกข์ ที่ได้จากการเสพสัมผัสหรือการสูญเสียรูปเสียงกลิ่นโลดโผดทพักก็เป็นอนิจจังถ้าดูไว้ล่วงหน้าก่อนก็จะเตรียมตัวเตรียมใจและทำใจเพราะใจนี้ไม่ต้องมีอะไรก็มีความสุขได้ใจถูกความหลงหลอกให้ไปคิดว่า ต้องมีสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งนี้ถึงจะมีความสุขพอไปหลงทำตามความคิดความหลงก็เลยต้องไปทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆถึงแม้ว่าจะให้ความสุขมากน้อยเพียงรก็ตามก็ต้องมีวันพัดพลาดจากกันมีวันสิ้นสุดลง เวลาพัดภาคเวลาสิ้นสุดลงเป็นเวลาที่ต้องร้องโหยร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนถ้าเตรียมตัวเตรียมใจไว้สอนใจอยู่เรื่อ ย, อยว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดมีอะไรก็มีไว้เพื่อเอามารับใช้เรามาให้ สนับสนุนเราในเรื่องที่จําเป็นแต่เราจะไม่ไปยึดติดกับเขาถ้าเราไม่มีเขาเราต้องอยู่ได้เพราะพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้พาาระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็อยู่ได้ตอนนี้ร่างกายท่านไม่มีท่านก็ยังอยู่ได้และอยู่ดีกว่าพวกเราอยู่แบบเปรมังสุขขัง พวกเรากลับอยู่แบบปรมมาทุกขังมีไอ้นั่นก็ทุกข์กับไอ้นั่นมีไอ้นี่ก็ทุกข์กับไอ้นี่มีอะไรล้วนกลายเป็นความทุกข์ไปหมดทุกข์พ่อห่วงทุกข์พ่อห่วงทุกข์พ่อต้องสูญเสียเวลาต้องพัดพากจากกันนี่คือความหลงของพวกเราทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกลงจากเป็นดอกบัว กงจักรคืออะไรก็คือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่แหละที่เรียกว่าเป็นกงจักรส่วนดอกบัวคืออะไรดอกบัวก็คือการทําบุญทําทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมการฟังเทศฟังธรรมเห็นดอกบัวกลายเป็นกงจักร เวลาจะทำบุญแต่ละครัง้งรู้สึกว่ามันบาดใจเือเกินเวลาจะต้องรักษาศีลแต่ละครั้งนี่มันบาดใจพรามจริงมันไม่ได้บาดใจหรอกมันบาดกิเลสกิเลสมันไปแอบอยู่ในใจมันก็เลยทำให้ใจต้องเจ็บไปด้วยแต่สำหรับใจของคนที่ไม่มีกิเลสนี่ทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกบาดใจรักษาศีลก็ไม่บาดใจ ขังตัวเองอยู่ในบ้านอยู่ในห้องเก็บตัวก็ไม่บาดใจกับสบายใจไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องนั่นเรื่องนี้คนนั่นคนนี้แต่คนที่มีกิเลสอยู่ในใจนี้เวลาทําบุญก็บาดใจเสียดายเวลารักษาศีลก็ไม่อยากจะรักษาเวลาขังตัวเองอยู่ในบ้านก็อยู่ไม่ได้ ทนไม่ได้อึดอัดขึ้นมาให้นั่งหลับตาพุทโธพุทโธก็มีอาการร้อยแปโผล่ขึ้นมาเวลาให้นั่งดูหนังดูละครทั้งคืนทั้งวันเล่นเกมทั้งคืนทั้งวันไม่เห็นมันมีอาการอะไรเลยมีก็ไม่สนใจหิวก็ไม่สนใจแต่พอนั่งสมาธิทักหนาทีสิบนาทีมีอาการร้อย8โผล่ขึ้นมาลนะ ปวดหัวบ้างปวดท้องบ้างน้ำลายจะต้องกืนน้ำลายบ้างอะไรร้อยแ0ดประการอันนี้เป็นฤทธิ์ของกิเลสมันออกฤทธิ์เข้าใจไหมเวลาที่จะฆ่ากิเลสแต่ละครั้งนี้มันจะสู้มันจะไม่ยอมง่ายๆคนถึงไม่ค่อยกล้าฆ่ามันเท่าไหร่เพราะกลัวกลัวเจ็บเวลาฆ่ามันมันออกฤิ์ คนที่สูบบุหรี่พอต้องหยุดสูบบุหรีน่นี่มันออกฤทธิ์ให้เห็นเลยคนที่เคยเดื่มสุราพออยากจะหยุดดื่มสุราก็จอฤทธิ์ของกิเลสออกมาจนในที่สุดทนไม่ไหวก็ต้องกลับไปสูบใหม่ต้องกลับไปดื่มใหม่นี่แหละคืออํานาจของกิเลสตัณหาที่เป็นกงจักแต่พวกเรากลับเห็นเป็นดอกบัว รับใช้มันยิ่งกว่าพระราชามาหากษัตริย์มันอยากได้อะไรมันต้องการอะไรทำให้มันเต็มที่เลยมันไม่สนใจว่าจะไปทำร้ายใครแม้แต่พ่อแม่มันก็ทำร้ายได้เวลามันออกฤทธิ์ออกมาเวลามันต้องการอะไรถ้าพ่อแม่มาขัดขวางดีไมด่ดีพ่อแม่ก็จะถูกมันฆ่าได้นี่แหละคือกองจากที่พวกเรา เข้าหากันแทนที่จะถอยถอยออกทางกับเดินเข้าหากงจักแทนที่จะเดินเข้าหาดอกบัวกับถอยหลังออกจากดอกบัวใจก็เลยถู ก, กงจากบาดจนเลือดออกมาทะลักอยู่เรื่อยๆน้ำตาที่หลังออกมาจากลธิ์ของกงกจักที่บาดหัวใจนี้พระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าเอามารวมกันแล้วนี่มันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกนี่แหละคือความทุกข์ของสัตว์โลกที่หลงไปเป็นพักเป็นพวกกับพวกกิเลสตัณหาไปรับใช้ไปสวามิภัก์กับพวกกิเลสตัณหาแทนที่จะมารับใช้มาสวามิภัก์กับพวกธรรมะที่จะทําให้ใจสงบทําให้ใจเย็น ให้ใจปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆกับไม่มาทำกันเพราะอำนาจของความหลงนั่นเองต้องอาศัยคนที่มีบารมีอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายมาทาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าทำแบบนี้แล้วมันดีมันไม่ใช่ไม่ดีทำแบบนั้นต่างหากที่ไม่ดี พระพุทธเจ้าก็เคยทำมาแล้วเคยรับใช้พวกกิเลสตัณหามาแล้วแต่พระองค์เห็นว่ามันไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขใจมีความสงบแต่กลับทำให้ใจมีความเครียดมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจต่างๆจึงได้เปลี่ยนพักเปลี่ยนพวกแทนที่จะรับใช้ถือพวกกิเลสตัณหา เป็นพักเป็นพวกก็เปลี่ยนให้มันเป็นศัตรูกันต้องต่อสู้กันกิเลสโผล่ขึ้นมาตัวไหนตัณหาโผล่ขึ้นมาตัวไหนต้องฆ่ามันเพียงอย่างเดียวพอฆ่ามันหมดแล้วเป็นยังไงก็เป็นบริสุทธิพุทโธจิตใจป ร, ปรมังสุขขันจิตใจไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยไม่มีความแก่ความเจ็บความตาย เพราะไม่มีความเกิดเพราะพระพุทธเจ้าได้ทําลายมันหมดแล้วพวกที่สร้างพบสร้างชาติที่นี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็พวกกิเลสตัณหานี่เองความโลภความอยากต่างๆพอโลภพออยากแล้วมันอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขต้องดิน้นต้องหามาหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ต้องหาไปเรื่อยๆพวกเรานี้หามากันตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้แล้วได้ข้าวของอะไรต่างๆมามากม า, า, ย, กายก่ายกองแล้วได้ความสุขมามากม า, า, ย, กายก่ายกองแล้วแต่พอหรื อ, อยังกิเลสบอกว่ายังไม่พอตันหายังบอกว่ายังไม่พอยังอยากจะได้สิ่งนั้นยังอยากจะมีสิ่งนี้อยู่ นั่มันก็จะอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะฆ่ามันจนกว่าเราจะทำลายมันวิธีที่จะฆ่าที่จะทำลายมันก็ทำทำแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติ พอไปปฏิบัติก็ฆ่ากิเลสตันหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจจนหมดสิ้นไปใจก็สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าไม่มีความแตกต่างกันเลยระหว่างใจของพระอรหันตสาวุกทั้งหลายกับใจของพระพุทธเจ้าในเรื่องของความบริสุทธิ์คือความปราศจากความโลภความอยากต่างๆ ความโลภความโกรธความหลงนี้ไม่มีอยู่ภายในใจของพระพุทธเจ้าฉันใดก็ไม่มีอยู่ภายในใจของพระอาหลานตสาวกฉันนั้นมีปรามังสุขขังเหมือนกันไม่มีการเวียนว่าตายเกิดเหมือนกันถ้าจะมีความแตกต่างก็อยู่ที่บุญบารมีที่ได้สะสมมาที่มีไม่เท่ากัน พระพุทธเจ้ามีสะสมบุญบารมีมามากกว่าพระสาวกทั้งหมดพระปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าจึงยิ่งใหญ่แก่กล้ากว่าพระปัญญาบารมีของพระอาหารหันตสาวกการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านี้มีพลานุภาพมากยิ่งกว่าพลานุภาพของพระสาวกยกเว้นองค์ที่พระเจ้าทรงยกย่อง เช่นภาษารีบุตรพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเรื่องของปัญญานี้ไม่มีใครจะดีเลิศเท่ากับภาษาริบุตรในบรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลายแต่ยังรองเราอยู่ยังเป็นอัคระขวาของเราแต่นอกจากเราแล้วไม่มีใครที่จะมีปัญญาบา ร, รมีเด่นเท่ากับ สหริบุตรส่วนพระโมคคลานะพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องว่าไม่มีใครมีบารมีในเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริเท่ากับพระโมคคลานะมียกเว้นมีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวที่มีภาพบารมีแก่กล้ากว่ า, าพระโมคคลลานะ แต่บา ร, รมีเหล่านี้มันไม่สําคัญมันไม่จําเป็นต่อการปฏิบัติเพื่อชําระเพื่อฆ่ากิเลสตัณหาไม่ต้องมีถึงระดับของภาษาลีบุตรไม่ต้องมีระดับของพระพุทธเจ้าขอให้มีในระดับที่ฆ่ากิเลสตัณหาได้ก็พอภาษาวกทั้งหลายจึงมีความเลิอดความเก่งที่ไม่เท่าเทียมกัน เพราะในอดีตชาติได้สะสมบุญบา ร, รมีมาไม่เท่าเทียมกันอย่างพระอานนท์นี้ก็มีบา ร, รมีในการจดจำมีบา ร, รมีในการไฝ่รู้ไฝ่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมดนี้พระอานนท์นี้จำได้หมดเลย เวลาที่มีทาการสังคยนณาพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกมีพระอนุ์เป็นผู้ทบทวนพระสูตรคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไปแสดงตามสถานที่ต่างๆเพราะตอนที่พระอนนุ์ได้รับให้เป็นผู้มาอุปถาพระพุทธเจ้า พระ อ, อ น, นุ์ได้ขอพรจากพระพุทธเจ้าอยู่หลายข้อด้วยกันมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือ ข, ขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับพระ อ, อนน์เวลาที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่อื่นแล้วพระ อ, อ น, นุ์ไม่ได้ไปไม่ได้ติดตามไปไม่ได้รับฟังด้วยเวลาพระพุทธเจ้ากลับมาต้องมาแสดงธรรมให้กับพระ อ, อ น, นุ์ นี่แหละคือความเด่นของพระ อ, อนุน์มีความฝ่รู้ฝ่ายศึกษาแล้วเมื่อได้ศึกษาได้ยินได้ฟังก็จดจำได้อย่างไม่มีความหลงลืมเลยนี่แหละคือเรื่องของบา ร, รมีที่แตกต่างกันไปของพระสาวกทั้งหลายในสมัยปัจจุบันนี้หลวงปู่มั่นท่านก็มีบา ร, รมีในการแสดงธรรมให้แก่ สาวกของท่านหลวงปู่มั่นนี่มีสาวกมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระอารหันต์เป็นจำนวนมากแต่พระอาจารย์สาที่เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มัน่นท่านกับไม่มีบารมีในการแสดงธรรมท่านแสดงธรรมเพียงสั้นๆว่าทําบุญทาทานรักษาศีลภาวนานะท่านก็พูดแค่นี้ ท่านไม่อธิบายขยายความรายละเอียดต่างๆท่านจึงไม่ค่อยมีผู้ไปศึกษาลรื่มเรียนเพราะเรียนแล้วก็ไม่เข้าใจไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะปัญญาทึกไม่เข้าใจความหมายของคาการว่าทำทานนี้ต้องทำอย่างไรบ้างการรักษาศีลนี้ต้องรักษาอย่างไรบ้างการภาวนาจะต้องภาวนาอย่างไรบ้าง จึงไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่พอไปศึกษากับหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นนี้จะมีความละเอียดระออในเรื่องของธรรมทุกบททุกบาทไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นฐานก็ดีธรรมขั้นศีลก็ดีธรรมขั้นสมาธิก็ดีธรรมขั้นปัญญาก็ดีธรรมขั้นวิมุตติหลุดพ้นก็ดี หลวงปู่มั่นท่านมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถที่จะแจกแจงขยายความอธิบายให้ผู้ที่ไม่เข้าใจสามารถเข้าใจได้สามารถปฏิบัติจนได้หลุดพ้นได้หลวงปู่มั่นท่านจึงมีลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระ อ, อรหันต์เป็นจํานวนมากเช่หนหลวงปู่แหวน หลวงปู่ฟ้นหลวงปู่ขาวและอีกหลายหลายลูปหลวงตามหาบัวก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่มัน่นท่านเหล่านี้ศึกษาจากหลวงปู่มัน่นเพราะปัญญาบา ร, รมีของหลวงปู่มั่นนี้ท่านอยู่ในระดับต้นๆทีเดียวถ้าไม่อยู่ระดับลองจากพ่อสาริบุตรก็ใกล้เคียงคนที่ได้มีโอกาสได้พบ ได้เรียนรู้จากหลวงปู่มัน่นจึงได้มีโอกาสได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์กันเป็นจํานวนมากนี่คือความแตกต่างในเรื่องบุญบา ร, รมีของแต่ละบุคคลแต่ไม่จาเป็นจะต้องมีบุญบา ร, รมีในระดับนี้ถึงจะบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ได้เพียงแต่ขอให้มีปัญญาบา ร, รมี ที่จะฆ่ากิเลสตัณหาได้ก็พอแล้วมีปัญญาที่เห็นกองจักเป็นกองจักเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวนี่ก็พอแล้วเช่นเห็นการแสวงห า, ารากยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นการหากองจักมาตัดแขนตัดคอของตนเอง ก็เห็นว่าการทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนาการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาเป็นการเข้าหาดอกบัวเป็นการได้พบกับของสวยของงามของน่ารักของที่จะให้ความสุขแบบไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไป ถ้าเห็นอย่างนี้ก็ถือว่ามีปัญญาแล้วแล้วพอเห็นแล้วก็ใช้ปัญญานี้คอยต่อสู้คอยทำลายกิเลสตัณหาทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมามันอยากจะดื่มเมื่อยังไม่ถึงเวลาดื่มก็ไม่ดื่มกำว่าถึงเวลาก็คือเมื่อร่างกายยังไม่ต้องการจะดื่มก็ไม่ต้องการไม่ต้องดื่มร่างกายยังไม่หิวน้ำก็ยังไม่ต้องดื่ม แล้วถ้าจะดื่มให้ร่างกายก็ดื่มน้ำเปล่าก็พอถ้าดื่มน้ำที่มีกลิ่นมีสีมีรสอันนี้ก็ดื่มให้กับตัณหาดื่มให้กับกิเลสถ้าเราอยากจะฆ่ากิเลสข่าตัณหาเราก็ต้องดื่มน้ำเปล่าเท่านั้นเรื่องรับประทานอาหารก็เหมือนกันเวลารับประทานอาหารถ้ายังไม่ถึงเวลาก็จะไม่รับประทาน ไม่กินขนมนมเนยระหว่างมือเช่นกินเสร็จไม่เกินนาทีหาขนมมากินต่อแล้วหาของขบของเคี้ยวมากินต่อแล้วหาเครื่องดื่มที่มีรสมีชาติมาดื่มแล้วอย่างนี้เท่ากับการเป็นการสนับสนุนเป็นการส่งเสริมกิเลสตัณหาไม่ใช่เป็นการฆ่ากิเลสตัณหา ถ้าจะฆ่ากิเลสตัณหาก็ต้องไม่ดื่มระหว่างมื้อของที่มีรสมีชาติไม่กินขนมนมเนยต่างๆระหว่างมือ้อจะกินก็เฉพาะเมื่อถึงเวลากินแบบกินยาเหมือนตามที่หมอสั่งหมอบอกให้กินยานี่วันละสามครั้งสี่ครั้งหลังอาหารก่อนนอนเป็นต้นพอยังไม่ถึงเวลาก็อย่าไปกินมัน เพราะการกินอาหารนี่ก็เป็นการกินยาแบบหนึ่งเท่านั้นเองสำหรับคนฉลาดสำหรับนักปลาเขากินอาหารแบบกินยาเพราะร่างกายต้องการยาคืออาหารถ้าขาดอาหารร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้และตายได้ถึงต้องกินอาหารแต่ไม่ได้กินแบบคนโง่กินกินแบบนักปลาคือกินด้วยเหตุด้วยผล ด้วยความจำเป็นไม่ได้กินด้วยความอยากนี่แหละคือวิธีฆ่ากิเลสตัณหาแบบห ย, ยาบหยาบแบบง่ายๆญาติยโยมสามารถปฏิบัติได้ไม่ต้องมาอยู่วัดก็ทำได้ลองหัดฝึกให้มีวินยัยต่อไปนี้จะกินอาหารตามเวลาตามหมอสั่งกินสองมือ้อสามมือ้อหรือกินถ้าวันพระก็กินแค่เที่ยงวัน หลังจากเที่ยงวันแล้วก็จะไม่กินรับรองได้ว่าไม่ตายอย่างแน่นอนพระที่บวชที่วัดนี้ฉันมือเดียวไม่มีพระรูปไหนตายเพราะว่าฉันมือเดียวไปตายเพราะเรื่องอื่นมากกว่าแต่เรื่องฉันมือเดียวนี้รับรองได้ว่าไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้คนตายลองทำดูแล้วจะรู้สึกสบายอกสบายใจขึ้น ไม่ต้องไปคอยรับใช้กิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลาจะนั่งสมาธิก็จะนั่งได้แทนที่จะรู้สึกหงดหงิดนำคาญใจเพราะอยากจะไปดื่มอยากจะไปรับประทานความอยากดื่มเหล่านั้นมันก็ถูกควบคุมไว้เวลานั่งสมาธิก็นั่งอย่างสบายไม่รู้สึกอึดอัดที่อึดอัดก็เพราะความอยากนี่มันทําให้อึดอัด เราเคยดื่มเคยรับประทานเคยดูเคยฟังอะไรอยู่แบบไม่มีเวล่มเวลาพอเราถูกกำจัดจำกัดให้มานั่งเฉยๆเท่านั้นใจก็เครียดขึ้นมาใจก็เกรง ข, ขึ้นมา ท, าทันทีแต่เวลาให้นั่งดูหนังดูละครนั่งเล่นไพ่กันทั้งคืนทั้งวันไม่รู้สึกเครียดเลยสบายใจเพราะมั น, มนเรื่องมันเป็นเรื่องที่กิเลสชอบนั่นเอง เรื่องของตัณหาชอบแล้วทำไปเท่าไหร่จะไม่รู้สึกเครียดเลยเด็กนี่เล่นเกมเล่นเกมกันโต้รุ่งก็ยังมีตอนเช้าพาไปบินตาบะตามร้านเกมเด็กมันก็ยังนั่งเล่นเกมกันอยู่ที่ให้มันนั่งอ่านหนังสือสักครึ่งชั่วโมงนี้ปวดหัวขึ้นมาละอ่านไม่ได้แต่พอเล่นเกมทั้งคืนทั้งวันนี้ไม่ปวดเลยนี่แนละคือเรื่องของกิเลสตัณหา มันสร้างผลให้กับเราส่งผลให้กับเราสิ่งไหนที่มันชอบทำแล้วไม่มีปัญหาเลยแต่สิ่งไหนที่มันไม่ชอบทำนี่มีปัญหาขึ้นมาทันทีมีเรื่องขึ้นมาทันทีนี่แหละคือฤทธิ์ของกิเลสที่เราต้องฆ่ามันไม่ใช่ไปรับใช้มันแทนที่จะฆ่ามันเรากลับไปรับใช้มัน มันไม่ชอบสิ่งนี้มันก็ไม่เอามันก็ทิ้งเลยนะก็เชื่อมันแทนที่จะมาหยุดความความความไม่ชอบนี้เสียอัดมาทำใจว่าเราอยู่ในโลกนี้มันต้องอยู่กับคนหลายคนอยู่กับเหตุการณ์หลากหลายจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามใจเราย่อมเป็นไปไม่ได้นะถ้าเป็นไปได้ ทุกคนก็จะมีแต่ความสุขโลกก็จะไม่มีสงครามโลกก็จะไม่มีการต่อสู้กันแต่โลกนี้มันเป็นโลกที่มีสิ่งที่ทำให้เราต้องไม่พอใจแต่เรามีวิธีที่จะดูแลจัดการกับมันได้อย่างง่ายดายก็คืออย่าเปลี่ยนใจเสียก็หมดเรื่องถ้าไม่ชอบก็หัดทำใจเฉยเฉยเสีย มันก็หมดปัญหาไปถ่าตัวไม่ชอบตัวไม่ชอบนี่ก็คือตัวกิลเลสดีๆนี่เองถ้าเราไม่ค่ามันมันก็จะสั่งให้เราไม่ชอบตรงนี้ก็ให้ไปตรงนู้นพอไปตรงนู้นเดี๋ยวไม่ชอบตรงนู้นก็ให้ไปตรงนี้กลับไปกลับมาวิ่งไปวิ่งมาชอบไม่ชอบคนนี้ก็ทิ้งคนนี้ไปเดี๋ยวไปเจอคนใหม่เดี๋ยวไม่ชอบอีกก็ทิ้งอีก มันก็จะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือเรื่องของกิเลสตัณหาที่พวกเราจะต้องฆ่ากันด้วยการทําตามที่พร ะ, ะเจ้าทรงสั่งสอนทําทานรักษาศีลภาวนานั่งสมาธิจเจริญปัญญาแล้วเราจะมีกําลังที่จะฆ่ากิเลสตัณหาเราจะมีกําลังที่จะทําใจของเรา ให้ปล่อยวางได้ให้วางเฉยได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขที่จะตามมาต่อไป